หัวข้อที่3การภาวนาการเจริญภาวนานั้นเป็นการสร้างบุญบา ร, รมีที่สูงที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นแก่นแท้และสูงกว่าฝ่ายศีลมากนักการเจริญภาวนานั้น มีสองอย่างคือ 1. สมถภาวนาการทำสมาธิและ 2. วิปัสนาภาวนาการเจริญปัญญาแยกอธิบายดังนี้คือ 1. สมถภาวนาหรือการทำสมาธิสมถภาวนาได้แก่การทำจิตให้เป็นสมาธิหรือเป็นฌานซึ่งก็คือการทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว ไม่ฟุ้งซ่านแสสายไปยังอารมณ์อื่นๆวิธีภาวนานั้นมีมากมายหลายร้อยชนิดซึ่งพระพุทธองค์ทรงบัญญัติเป็นแบบอย่างเอาไว้40ประการเรียกกันว่ากรรมฐาน40สซึ่งผู้ใดจะเลือกใช้วิธีใดก็ได้ตามแต่สมัครใจทั้งนี้ย่อมสุดแล้วแต่อุปนิสัยและวาสนาบารมี ที่เคยได้สร้างสมอบรมมาแต่ในอดีตชาติเมื่อสร้างสมอบรมมาในกรรมฐานกองใดจิตก็มักจะน้อมชอบกรรมฐานกองนั้นมากกว่ากองอื่นๆและการเจริญภาวนาก็ก้าวหน้าเร็วและง่ายแต่ไม่ว่าจะเลือกปฏิบัติวิธีใดก็ตามจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาศีลให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ตามเพศของตนเสียก่อนคือหากเป็นคารวาสก็จะต้องรักษาศีลห้าเป็นอย่างน้อยหากเป็นสามเณรก็จะต้องรักษาศีลสิบหากเป็นพระก็จะต้องรักษาศีลปาติโมกษสอรอยข้อให้บริบูรณ์ไม่ให้ขาดและด่างพร้อยจึงจะสามารถทำจิตให้เป็นฌานได้หากศีลยังไม่มั่นคง ย่อมเจริญชานให้เกิดขึ้นได้โดยยากเพราะศีลย่อมเป็นบาทฐานหรือเป็นกำลังให้เกิดสมาธิขึ้นอานิสงค์ของสมาธินั้นมากกว่าการรักษาศีลอย่างเทียบกันไม่ได้ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าแม้ได้อุปสมบทเป็นภิกษุรักษาศีลส2 7ีข้อไม่เคยขาดไม่ด่างพร้อยมานานถึงร้อยปี ก็ยังได้บุญกุศลน้อยกว่าผู้ที่ทำสมาธิเพียงให้จิตสงบนานเพียงชั่วไก่กระพือปีกช้างกระดิกหูคําว่าจิตสงบในที่นี้หมายถึงจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเพียงชั่ววูบที่พระท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กๆน้อยๆยสมาธิแบบเด็กๆที่เพิ่งหัดตั้งไข่คือหัดยืนแล้วก็ล้มลง แล้วก็ลุกขึ้นยืนใหม่ซึ่งเป็นอารมณ์จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นสงบวูบลงเล็กน้อยแล้วก็รักษาไว้ได้ซึ่งยังห่างไกลต่อการที่จิตถึงขั้นเป็นอุปจาระสมาธิและฌานแม้กระนั้นก็ยังมีอานิสงส์มากมายถึงเพียงนี้โดยหากผู้ใดจิตทรงอารมณ์อยู่ในขั้นคณิกะสมาธิและบังเอิญตายลงในขณะนั้น อันนี้สงนี้จะส่งผลให้ไปบังเกิดในเทวโลกชั้นที่หนึ่งคือชั้นจาตุมหาราชิกาหากจิตยึดไตรสระคมมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่องอันสูงสุดด้วยก็เป็นเทวดาชั้นที่สองคือดาวดึงสมาธินั้นมีหลายขั้นตอน ระยะก่อนที่จะเป็นฌานหรือขั้นอัปปนาสมาธิก็คือคณิกะสมาธิและอุปจารสมาธิซึ่งอ น, นิสงส่งให้ไปบังเกิดในเทวโลก6ชั้นแต่ยังไม่ถึงชั้นพรห ม, มโลกสมาธิในระดับอัปปนาสมาธิหรือฌานนั้นมีรูปฌานสี่และอรูปฌานสี่ซึ่งล้วนแต่ส่งผลให้ไปเกิดในพรห ม, มโลกรวม20สิชั้น แต่จะเป็นชั้นใดยอมสุดแล้วแต่ความละเอียดประนีตของกําลังฌานที่ได้เช่นรูปฌานหนึ่งส่งผลให้บังเกิดในพรหมโลกชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่สสุดและแต่ความละเอียดประนีตของกําลังฌานหนึ่งเป็นต้นเว้นแต่พรหมโลกชั้นสุดทาวาสคือชั้นที่ 12-16 ถึงซึ่งเป็นที่เกิดของพระอนาคามีบุคคลโดยเฉพาะ ส่วนอรูปฌานขั้นสูงสุดที่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นส่งผลให้บังเกิดในพรหมโลกชั้นสูงสุดคือชั้นที่20สบซึ่งมีอายุยืนยาวถึง 84,000 พมหากรบเรียกกันว่านิพพานพรหมคือ น, นานเสียจนเกือบหาเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดมิได้จนเป็นที่หลงผิดเข้าใจผิดกันว่าเป็นนิพพาน การทำสมาธิเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ลงทุนน้อยที่สุดเพราะไม่ได้เสียเงินเสียทองไม่ได้เหนื่อยยากต้องแบกหามแต่อย่างใดเพียงแต่ค่อยเพียรระวังรักษาสติคุ้มครองจิตมิให้แส่สายไปสู่อารมณ์อื่นๆโดยให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเท่านั้นการทำทานเสียอีกอยังต้องเสียเงินเสียทอง การสร้างโบสถ์วิหารศาลาโรง ร, รมยังต้องเสียทรั์และบางทีก็ยังต้องเข้าช่วยแบกหามเหนื่อยกายแต่ก็ได้บุญน้อยกว่าการทำสมาธิอย่างที่เทียบกันไม่ได้อย่างไรก็ดีการเจริญสมถภาวนาหรือสมาธินั้นแม้จะได้บุญอนิสงฆ์มากมายมหาศาลอย่างไรก็ยังไม่ใช่บุญกุศลที่สูงสุดยอดในพระพุทธศาสนา หากจะเปรียบกับต้นไม้ก็เป็นเพียงเนื้อไม้เท่านั้นการเจริญวิปัสสนาหรือการเจริญปัญญาจึงจะเป็นการสร้างบุญกุศลที่สูงสุดยอดในพระพุทธศาสนาหากจะเปรียบก็เป็นแก่นไม้โดยแท้